สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบสีนะครับการถืออดตอนที่หกครับพี่น้องครับห้าครั้งที่ผ่านมาผมได้นําเสนอพี่น้องและแต่งปันเกี่ยวกับความสําคัญของการถืออดอาหารและความผีที่เกี่ยวข้องนะครับต่อจนความจําเป็นที่เราต้องถืออดอาหารผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดบางสิ่งบางอย่างและก็ทรงนําพี่น้องหลายหลยท่านนะครับที่จะเข้า สู่การถือวัตถุยังครัขณะที่ผมได้เตรียมในการที่จะแบ่งปันกับพี่น้องพระวิญญาณก็เรับใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆที่อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสถือวัวถุด้วยกันนะครับในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจกาของเราและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาคริสต์มาสที่จะถึงอยู่ขอพระเจ้าที่ช่วยเรานะครับในการที่เราจะ ไดเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณอีกมาหมายในช่วงเทศกาลที่สมบูรณหรือพิสมารที่ถึงนี้พี่น้องครับเราจําเป็นที่ต้องถืออดด้วยกันเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่พระเจ้าจะทรงฉดับฟังสังฆฐานของเราเพื่อที่พระองค์จะทรงกระทําน้ำมัทไทยของพระองค์ให้สําเร็จในชีวิตของเราในกิจจักรของเราในครอบครัวของเราในเช้าวันนี้นะครับเราจะ ด, ดูถึงการเตรียมตัวขั้นตอนนะครับการบทหารขั้นตอนกสักปดาห์นะครับ เราจะต้องเลือกเวลาของการถืออดอาหารอย่าทำโดยไม่กำหนดเวลาลงไปเราควรจะต้องมีการวางแผนครับว่าเราจะถืออดอาหารอย่างไรจะเป็นรูปแบบไหนครับจะเป็นการถืออดอาหารแบบสมบูรณ์หรือเปล่าก็คือไม่กินน้ำไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยเป็นเวลาหนึ่งวันหรือเราจะใช้แบบไม่สมบูรณ์นะครับก็คืออดเป็นบางมื้อ อดอาหารบางอย่างบางช่วงเวลาหรืออาจจะอดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดูถึงจนถึงดวงอาทิตย์ตกนะครับหรือเรา จ, จะอดอาหารแบบคลาสสนะครับก็คือเหมือนกับที่เบียสูทรงกระทําก็คือปดพระกายอาหารแต่พปร่งไม่ได้อดน้ำนะครับปดพระกายอาหารอาจจะเป็นเวลายาวหน่อยครับอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือห้าวันหรือสามวันหรือบางคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง และปรัถนาที่จะแสดงหาพระเจ้ามากขึ้นก็จะทําตัวเหมือนโมเสสครับสี่สิบวันบนภูเขาซีนานเหมือนกับพระเยซูครับสี่สิบวันในดินทั่วแผ่นดานนะครับแต่จะต้องดื่มน้ํานะครับและจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทําการอดอาหารแบบนานๆพี่น้องครับเราเริ่มต้นนะครับด้วยการงดเว้นอาหารแข็งนะครับแต่ยังดื่มน้ําอยู่เหมือนกับพระเยซูครับ วางแผนที่จะใช้เวลานา น, านในการอธิษฐานครับเมื่อเราถืออดอาหารเราต่องใข้ขวรและสแสวงหาพระเจ้าสแสวงหาที่จะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าผู้อย่างยิ่งสูงสุดเราไม่ควรเร่งร้อนนะครับเราไม่ควรรีบเร่งและเราอย่าให้เวลามาเป็นตัวกำหนดเมื่อเราถืออดอาหารแต่ว่าเราควรจะกำหนดเวลาครับแต่อย่าให้เวลาเป็นตัวกาหนด แต่เรากลับกันครับเราต้องโตด้วดยเวลา mm hmm. เมื่อเราถืออดอาหานะครับเราควรจะยินดีในการมีสามาธิธรรมกับพระเจ้าการอรอาหารนั้นเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีในขณะเดียวกันครับเป็นเรื่องของการระบายความทุกข์ยากลาบากให้กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว mm hmm. พี่น้องครับพระเจ้าไม่ตอบคําอธิษฐานตามจํานวนเวลาที่เราใช้ในการอธิษฐานนะครับแต่ลูกของพระเจ้าควรจะต้องการ นะครับใช้เวลามากๆในการสามัคคธรรมกับพระบิดาผู้สอนหลายๆครั้งบอกว่าถ้าเราอธิษฐานคำซ่าพระเจ้าจะฟังจริงๆไม่ใช่ครับหรือถ้าหากว่าบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าเราอธิษฐานนานๆพระเจ้าจะฟังใช้เวลาอธิษฐานนานๆพระเจ้าจะฟังแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆแล้วการอธิษฐานนานๆใช้เวลานานมันกับพระเจ้าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์พัฒนาสามคัคคธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าต่างหาก เพิสเตียเราจะมีลักษณะเหมือนพระเจ้ามากขึ้นจะคิดแบบที่พระเจ้าคิดมากขึ้นเมื่อเขามีความสัมพันธ์และความคิดทำใช้เวลากับพระองค์ในการอธิษฐานและการอดอาหารเพี่งลองดับดาวิดถ่อมใจลงต่อพระพระเจ้าท่านคงจำได้นะครับท่านได้เขียนไว้อย่างนี้ครับในสุ ด, ดีิทที่หกสิบเก้าข้อที่สิบท่านเขียนว่าเมื่อพระองค์่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มันเป็นการเย่อเยยิ่ค่าพรงพี่น้องครับถ้าเราไม่กลับใจใหม่ด้วยค่าทีที่ถูกต้องนะครับการงดเว้นอาหารและการอดอาหารก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ศาสตรย์าวิทย์บอกว่าอะไรครับเมื่อพระองค์ถ่อมใจลงด้วยการอดอาหารเป็นการยเยอะเยยิ่ถ้าค่าพลงไม่กลับใจใหม่เห็นไหมครับค่าทีที่ถูกต้องขอนการอดอาหารนั้นตอนการอดอาหารหลังจากที่ท่านวางแผนแล้วนะครับท่านจะต้องพร้อมที่จะสํารวจตัวเองและ เราจะต้องพร้อมในการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่นั้นเป็นแท็บิทนะครับก็คือเป็นอุปนิสัยที่สําคัญหนึ่งในเจ็ดอย่างครับหนึ่งในเจ็ดอย่างที่เราควรจะมีนะครับเราต้องเริ่มต้นทั้นตอนนี้หรือกระบวนการนี้ของการกลับใจใหม่โดยการสํารวจหาบาปทั้งหมดของเรานะครับสํารวจหาความผิดบาปของเราการหาความผิดบาปนั้นจะต้องถ่อมใจลงครับแล้วเชิญพระวิญญาณ บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะสารวจจิตใจของเราครับค้นหาความผิดบาปของเราเพื่อที่จะดึงความผิดบาปออกนั้นขึ้นมาและสาราภาพต่อพระพักของพระเจ้าในการอธิษฐานบนอาหารจะไม่มีบาปอะไรที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเรานะครับกระสาตราวิเขียนต่อไปครับว่าขอพระองค์ทรงชาระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของเรานะครับ ในบางด้านบางมุมของชีวิตเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะทําบาปโดยไม่รู้ตัวครับเราอาจจะล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราอาจจะละเว้นไม่กระทําตามน้ําำมัทของพระเจ้านั่นคือความบาปทั้งสิ้นความบาปนั้นแปลว่าการา พ, พลาดพลากจากเป้าที่พระเจ้าได้ตั้งให้กับเราเพียงครับหลายครั้งเราไม่รู้ครับแต่ความบาปแบบนี้นะครับมันซ่อนเร้นอยู่ในมุมมืดในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะ ช่วยเรานะครับให้เราสามารถที่จะดึงความบาปเหล่านี้ออกมาโดยการสมเดงของพระมีญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราถืออดอาหารอธิษฐานครับคริสเตียนบางคนอาจจะท้อใจมากเมื่อบ ร, ริชิญกับความบาปของตัวเองเขามีความรู้สึกเกิ่ยวนะครับก็คือรู้สึกผิดนะครับบางคนก็บอกว่าข้าพเจ้ายอมรับความล้มเหลวเพราะข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แหละนะครับเพึ่งพีดเตือแล้วครับว่า ถ้าเราจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตัวเองและความจริงหรือสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยครับหลายหลายคนครับไม่ยอมรับว่าเราล้มเหลวหลายนคนเนี่ยไม่ยอมรับว่าเราเนี่ยทําบาปเราทําผิดนะครับบางคนมีตําแหน่งสูงๆในกิจจการนะครับหรือบางคนเป็นผู้นําของกิจการบางคนเป็นสีบานนะครับเวลาทําผิดก็บอกว่าไม่ผิดไม่ยอมรับว่าตัวเองทําผิด พี่น้องครับถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทําบาปก็เท่ากับเราทําให้พระเจ้าเป็นผู้จัดมูษาและพระดํารัสของพระเจ้าไม่ไอยู่ในเราเลยอันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อแปดหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อสิบแต่หนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อเก้าที่อยู่ขั้นกลางบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงศัตรูและเที่ยงธรรมก็ทรงโปรดอภัยบาปของเราและชาระเราให้พ้นจากการกระทำต่า ง, งนนี่คือ กระบวนการขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการปอาหารอธิษฐานนะครับขอการอาภัยโทษบาปครับนะครับก้าวต่อไปจากการสำรวจตัวเองนะครับสารภาพบาปต้องทูลขอการอาภัยโทษบาปครับคอ ง, งสงฆ์ศสตรอเทียนธรรมนะครับพวก อ, องค์ก็จะทรงตรวจทุกบาปของเราและอภัยโทษบาปของเรานะครับใัยบาปของเราชำระเราให้พ้นจากทัอาชธรรมครับ ในพระองค์พี่เดิมผู้สมนึกบาปนั้นใช้เวลาหลา ย, ลายวันอ้อนวอนพระเจ้าให้อภัยบาปของเขาการคันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับภายใต้คําสอนของกรรมบันญัติแล้วหลายที่เป็นที่เสียนั้นอยู่ภายใต้พระคุณครับพระเยซูนะครับหรือพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะชําระเราเมื่อเราขอการอภัยโทษบาปรกากฐานของการชาระนั้นไม่จะจํานวนเวลาครับแต่พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นเป็น สิ่งที่ชำระล้างบาปของเราได้เพียงครับอย่าจะหนุนใจว่าเราไม่ควรจะแพ้นะครับหรือทอแท้เมื่อเราเริ่มถืออดอาหารแต่เราควรจะอ้างสิทธิแห่งชัยชนะต่อความบาปสิทธิแห่งชัยชนะต่อความตายขององค์พระเยซูคริสต์ที่ปโปร่งด้ส่งมอบให้เป็นมรดกของเรานะครับต่อไปครับก็คือว่าเราจะต้องอธิษฐานอย่างต่อนเนื่องเพื่อทําทุนขอที่เฉพาะต่อจงพระคัมภีร์สอให้เราอธิษฐาน นมัสการพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในหนึ่งเท释迦บทที่ห้าข้อสิบเจ็เพราะว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอตลอด เ, เวลาของการถืออดนะครับจงจัดเวลาให้สําหรับการอธิษฐานหลายๆช่วงเพื่อเราจะได้มีเวลานะครับและใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อการอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเน้นครับทําอธิษฐานทูลขอที่เฉพาะเจาะจงเพราะเราไม่ต้องรับประทานอาหารทําให้เรามีเวลามากขึ้น เราจะต้องใช้เวลาที่เราต้องรับประทานอาหารเพื่อการอธิษฐานนี่คือความตั้งใจครับหลายหลคนทีเดียวนะครับเวลาบอกว่าชั้นถืออดชันถืออดหรือผมถืออดแต่ไม่ได้อธิษฐานครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะเป็นเวลาที่เราถืออดเราไม่กินอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับปราหยุดอยู่ที่โต๊ะทํางานของเรานิ่งๆงงเงียบเงียบและอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงอธิษฐานเผื่อตัวเอง อธิษฐานเผื่อพิอจาราอธิษฐานเผื่อพันธกิจนะครับเรากรอธิษฐานด้วยความเชื่อขณะที่เราถือดอดบบางทีบอกว่าจงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยพี่น้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการขัน้นตอนต่นางๆนะครับในการถืออุบนะครับเราขอครับเราหาและเราขอเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราเราต้องอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับ ประการต่อไปก็คือว่าจงอ่านพระคัมภีร์มากๆเมื่อเอาถืออดนะครับเราควรอ่านพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็นสองสามเท่าเลยครับเราจานพระคัมภีร์ตลอดทั้งเรื่องและควรให้ควรนะครับให้ควรพิจรารณาพิจเคราะห์และภาวนาพระธรรมของพระเจ้านะครับพระธรรมของพระเจ้าจะเพิ่มความเชื่อของเราบางครั้งคาตอบที่มาจากพระเจ้าครับอยู่เกิดขึ้นขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับ หลายคนก็แนะนําว่าให้เลือกข้อข้อมูลที่สำคัญสําคัญเพื่อท่องจําและภาวนาครับการถืออดนั้นจะต้องมีการอ่านพระคัมภีร์แน่นอนครับการถืออดนั้นจะต้องมีการอธิษฐานการถืออดนั้นจะต้องมีการร้องเพลงน้ำมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเครื่องชี้ว่าคนงนั้นได้ปุทิตตัวนะครับถ้าทีภายในที่ถูกต้องในการอดอาหารก็คือเ้ากําลังน้ำมัสการพระเจ้า นมสักการพระเจ้าด้วยการอดอาหารครับอธิษฐานนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งต่างที่เราจะทําเมื่อเราถืออดครับอีกสิ่งหนึ่งที่สเค็นและสําคัญมากเป็นสิ่งสุดท้ายครับการถืออดนั้นเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกระทําและพระเจ้ายังไม่ได้กระทําแต่พระองค์จะทรงกระทําตามชอบพระทัยของพระองค์แน่ อธิษฐานเผื่อหิงสังที่เกิดขึ้นใ น, นอนาคตและเมื่อเราทูลขออธิษฐานบิงวอนนะครับด้วยการอธิษฐานบิงวอนและการขอบพระคุณเห็นไหมครับแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าที่เกินความเข้าใจก็จะคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์น้ครับสันติสุขแห่งพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองความคิด จ, จิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ที่นะครับอยากจะให้พวกเราได้รูหนักนะว่าพระเจ้าได้ทําอะไรในด่ดีเมื่อเราอาธิษฐานเราจะมีความมั่นใจเมื่อเราน้าพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาเรามีความหวังใจว่าการทูลทุกอย่างของพระเจ้าพระเจ้าจะฟังเราแต่พระเจ้าจะตอบคาอธิษฐานตามชอบพระไถยของพระองค์อย่างแน่นอนอาเมน